เียก็ เ, เป็นวัตถุศาสนาใครเห็นเจดีย์ผู้ที่นับถือพระุศาสนาเห็นเจดีย์แล้วก็เข้าใจอะไรเข้าใจได้ทันทีอ๋อเจอดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระธาตุบรรจุรูปเหมือนบรรจุพระบรมพระพุทธ ร, รูปเนี่ย บรรจุบรรจุสิ่งสักการะจะเป็นรูปเหมือนเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นตู้พระธรรมเป็นตู้บริขารเป็นเครื่องระลึกเป็นอนุสรณ์ของครูบาอาจารย์ส่วนมากเราก็ทําให้เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ระลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วย เรเอาพระพุทธเจ้านหน้าพระบรมทาตบรมทาตก็หมายถึงพระพุทธเจ้าธาตุที่สูงสุดพระบรมทาตถ้าเป็นพวกพวกเราธรรมดาธรรมดาคือพระทาตพระทาตหรือไม่ก็ทาตุนี่ฮอธิทาตพระทาตุอย่างถือว่าสูงจะหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พระสงฆ์สาวกก็ได้พระทาตพระบรมทาต กถือว่าเป็นพระธานของพระพุทธเจ้า <c> จ <oughs> นมากเราเีงเราก็จะได้ได้บรรจุกันเจ็ดีที่ไหนรับพยายามมักจะหาไปบรรจุกันได้พระธาตุเยอะแยะตุกวนันนี้สมัยทุกวนันนี้พระธาตุพระธาตุมากที่ไหนที่ไหนพระธาตุเตรยมไปหมดพระธาตุหอพระธาตุเสด็จพระธาตุอะไรเตรียมไปหมด ไปดูที่บ้านโยมทองดีพีิโยมทองดีบ้านโยมทองดีแป๊บประธานโยมทองดีที่บ้านแบ่งถวายสมเด็จสังคราชสมเด็จสังคราชท่านก็ประทานต่อแจกตวัดนนวัดนูวัดนี้ของเรายังมีเก้าองค์ประธานที่ได้รับประธานมาจากสมเด็จสังคราชอยู่ในตู้ที่หน้าหน้าหน้าข้างหน้าสลาน บนพระธาตุอาทาิตาต์ก็ถือว่าเป็นสน่ลักษณ์ของจิตที่บริสุรรมรรมรรทธิ์เราถือว่าเป็นสิ่งสักการสิทธิ์เรากราบระลึกน้อมนึกถึงพระพระธาตุธารู้ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปพระธาตุก็สามารถบริสุทธิ์ได้แล้วก็ที่เป็นนามธาตุ ก็สามารถบริสุทธิ์ได้ด้วยเุที่นามาตาบริสุทธิ์นั่นแหละจึงสักฟอรูประธากรูปประธาเลยพลอยบริสุทธิ์ตาไป้รื่ยรูปปร ะ, รปรรปประก็คือดิงน้ํามลมไฟที่เรามองเห็นเป็นตัวเป็นตนวนั่นนี้แหละมีคือรูปประาธานามาธาตุคือใจ <c oughs> ใจของพวกเราไม่บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์จากขิเลห์ แต่ด้วยเหตุที่พวกเราใจยังมีกิเลสใจพวกเรากินไม่บริสุทธิ์กิเลสกิเลสเป็นคําภาษาบาลีแปลว่าสภาพที่ทําให้ผู้รู้เป็นสภาพที่ทําให้ผู้รู้นั่นแหละเนศะร้าหมองเศร้าหมองคําว่าเศร้าหมองก็เหมือนกับน้ําขุ่นๆเหมือนกับเจาะขุ่นๆเหมือนกับหมอะกับเมฆ กับฝุ่นกับละออกับทุรียอะไรที่มันมันคลุงมันบังมันปิดมันบังมันหมองมันเศร้ามันหมองสภาพที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองแสดงกิริยาให้เป็นที่ปรากฏกับเรากิริยาอย่างหนึ่งแสดงออกมาในลักษณะของความโลภโลภตาดำตาเลงโลภตาเล็กตาโต เวลามีใครมาขัดคอแบบโกรธโกรโก ร, โรตาดําตาแดงหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวปากสัน่นบางทียับยังไม่หยบไม่อยู่แบได้ฆ่าได้แกงกันนี่คือกิริยาที่เศ้าหมอของมันใจเศร้าหมองมันแสดงออกมาผาัานมาปรากฏทางกายกายทวารบางทีก็แสดงออกม า, มาปรากฏทางไวจีทวารดาทอบรรพันธ์ตัวทํำไมมันจะเจ็บแสบไปถึงกลนบึ้งัวใจ เอาดูไปแล้วก็ตลก ด, ดีนะมันรุนดูดูไปแล้วก็ตลก ด, ดีใจมันเครียดทำไมทำไมต้องไปดา่าด่าเป็นหมูเป็นหมาปไปเลยเขาด่าหมาเองเครียดอีกนะ วัดเรานะกเขาด่าลูกไอ้ลูกหมาจ้ากรมที่มาทมานให้เราสุวันเราก็อดหวัไนะวไม่ได้เขาด่าลูกลูกชายลูกชายมันมาทำงานด้วยมนขี้เกียจก็ด่าไอ้ลูกหมาก็ด่าเจ้าของ ลูกมันก็ไม่รู้เรื่องมันคิดว่ามันมันมันเป็นลุมมาให้ืมันเครียดมันไม่มันไม่เข้าบ้านจนเนี๋ยวนี้นเลยเพิ่งเดือนเดือนกว่าอ้ยเราเรอดขำไม่ได้ที่เราเราดูเราดูดูจิตใจองค์กเราดูแล้ ว, ลวเราก็สังเกตเอก็ด่าเข้าดาเข้าด า, า, ดาลขมขำนั่นไอ้ลมหา ลูกมึงเลช่างไม่ได้คิดไอ้ได้อ่านอะไรนะมันมั น, มนพ่อมันด่ามันตามสามที่สุดมาเลยเคียไม่เข้าบ้าน จ, จนเดี๋ยวนี้เวลาพ่อไม่อยู่ก็ไปหาอยู่หา ก, กินอยู่แต่เวลาพ่อกลับกลับไปไม่ไม่รู้ไปนอนไหนไม่รู้ นี่คืออะไรนั่นคือความเศร้ามองของใจมันมีสติมีปัญญาที่ไหนคืออะไรอะไรคืออะไรอะไรเป็นอะไรดูอะไรมันพาให้ยึดให้ถือถึงขนาดนั้นมันพาให้เราหลงบำงงายถึงขนาดนั้นเราดูนะ่ะอย่าให้เรานึกเราคิดอย่างนี้อืมันน่าเจ็บน่าเครียดหน่าแค่ไห้มันไหมสิ่งที่เราเร็วอยู่ในใจของเราดูเข้าไปสิน่าเครียดให้กับมันไหม เราพูดอยังไงเราก็ไม่ถึงใจอสิ่งที่เร็วๆอย่างนี้เออนา ย, ยาเก็บใจสักไหน <c ười> คือกิริยาของจิตที่มันเล็วกวาก็จิตมันฝึกยังฝึกไม่ได้จิตมันยังฝึกไม่ได้ไม่ยังขัดไม่ได้ยังเก่าไม่ได้มันยังเป็นธาตุดิบๆมาเผามาเผ า, มา เ, ผามาเปา่ามันร้อน เพื่อที่จะทุกเพื่อที่จะตีให้เป็นตามใจหวังที่พวกเราเป่าเราเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่พวกเราเป่าพเราทุกพวกเราตีเนี่ยตามวิธีที่ทพระพาท้าท่านสอนเนี่ยเพื่อให้เป็นเพื่อให้สําเร็จรูปตามที่เราหวังถ้าอยาเทียบเราต้องตีเหล็กนึ่งเผาเหล็กเป่าเหล็ก เ, เ, เป่าให้มันยิ่งร้อนร้อนท้าแบบมันยิ่งอ่อนอ่อนแล้วก็มาตี ตีให้เป็นรูปนั้นเป็นรูปนี้เป็นขวานเป็นมีดเป็นมีดเหลาเป็นมีดต่ขอเป็นมีดอะไรก็แล้วแต่ให้สำเร็จรูปแต่เราเนี่มาตีให้ซื้อมาดักให้ตรงจิตมันคดจิตมันงอเคาว่ามันคดคืออะไรก็มันรายงานผิดรายงานผิดแบบนี้ก็เป็นคนแท้ๆเขาว่าเป็นหมาเขียน มันเป็นหรือเปล่ามันก็ไม่เห็นเป็นนี่คือจิตงอไง ม, มันไม่มีปรรัญญามันไม่มีอะไรเป็นยังไปให้เห็นสัสจจะสัจธรรมมันไม่มีมันไม่มีอะไรบอกรูดิมันมืดมึนทึบขนาดนั้นนะ่ะจิตใจของเราเราดูดิมันรุ่มของขนาดนั้นนะ่ะเราพูดให้พยายามพวกพวกเราเลย้อนมาดูจิตด้วยใี้เคียดให้แทนให้ย้อนไปเล่นงาน เอาธรรมะนี่สติธรรมปัญญาธรรมไปแพร่ไปเผาเป็นตะปัดธรรมให้มันเพื่อดัดให้มันตรงดัดใหมนซื้อดัดใหมนตรงถ้าปวดถ้ถถถถถถไปวดไปยมไปยืมมันแถมฝนให้มันแถมฝนให้มันคมไปจะได้เชือนในขณะ ท, ที่เราฝนเนี่ย หมายความว่าเราฝนใหมันเกิดสติเกิดปัญญาจะได้ใช้ปัญญาคมๆนี่แหละไปเฉือนกิริยาการที่มันทําให้จิตเศร้าหมองเนี่ยไปเชื้อนออกเฉือนออกเฉือนออกเฉื้อนออกเราไปแทงออกแทงออกแทงออกมันทะลุทะลวงให้หมดเอาตปัรทำตามที่บุรียพันธ์สอนน่แะพวเราสวดต้องครึ่งชั่วโมงกว่า ในระหว่างที่เราสวดใจเราอยู่ไหมใจเราอยู่กับคำสวดไหมต้องอดต้องทนต้องฝึกต้องฝึกต้องหัดต้องดัดต้องแปลงต้องฝึกปรุต้องขัดต้องกราวต้องทุบต้องปีตปะธรรมขันติธรรมวิริยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมอุปสาห ตปะเตชะเตชะเด ช, เด ช, เด ช, เดชของสติเดชของปัญญาเดชของวิริยุตสาเดชของ ข, องของันติความอดความทนเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเดชเป็นตาปะตปะตาปะแปลว่าความร้อนจ่อเข้าไปเผาแผ่เผาละละายสิ่งที่มันเร็เวๆในใจออกละลายออกให้หมดให้เนือได้ใจที่บริสุทธิ์ สิ่งมันไปนเปกาะอยู่ในใจไปนปนตุ้นอยู่ในใจใจคือธาตรู้ธาตุที่รู้อยู่ถ้ารู้ตัวเดียวนี่หละทําให้พวกเราทราบสบุทราบทุกข์ทราบว่าดีทราบวันชั่วมัีธาตรู้ตัวเดียวถ้าเราเป็นคนเสาก็มาทําอะไรก็ทําตี้ยเอาไฟมาเอาไฟมาใส่ก็ไม่รู้สึกนะอ เตะมาถีมานั่งเอาพูดเอาหมดมาใส่มาทามันไม่เฉยอยู่มันก็ดินนั่นแหละจะมีเกือติกิริยาอะไรมันไม่มีวิญญาไม่มีธาตุรู้ไม่มีผูรู้จะจิตเราลงเดียวนี่แหละเราเอาจิตนี่แหละใช้กิริยายททจิน่ะทุบจตตีจิตนี่แหละชงขล้างมัน เอากริยาปัจจุบันเนี่ชะล้างกิริยาที่เป็นส่วนอดีตกิริยาที่มันเกาะเกี่ยวจนกลายเป็นนิสัยสร้างกิริยาที่เหมือนกับมีดคมที่สุดมันก็เหล็กเล้าแหลมที่สุดอ่ะเชิ้อเข้าไปเชิ้อเข้าไปเชิ้เข้าไปเชื้อเข้าไปเชื้อเข้าไปกับสิ่งที่ปนเปื้อนมากับใจนั้นสำรอจเข้าไปสำรอจเข้าไปสมรวจเข้าไปแพผ่เข้าไปแผ่เผาก็ไปแผ่เผาก็ไปดัดเข้าไปให้มัซื่อให้มันตรง สำรอกสิ่งที่ปนเปื้อนสิ่งที่เป็นพิษเป็นพิษงั้ให้มันละลายออกให้หมดมีมันเป็นอุปมา ท, ทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้กรรมะในใจเราย้อนไปเห็นมันก็ไม่มีอะไรแต่เราพยายามพูดให้เกิดสื่อเราก็ต้องใช้คําพูดอย่นี้สื่อก็ทําให้เกิด เป็นมโนภาพในมโนสํานึกเกิดข้อบเปรียบเทียบทําให้เราเข้าใจสิ่งถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในใจของเราเป็นสื่อเหมือนยังวิจิตรพุทธเจดีเจดีก็เป็นสื่อเจดีสื่อเราเห็นหยอยดแหลมๆปักโอ้หยดเจดีย์แเป็นสื่อทันทีเป็นคุณวิเศษแสดงลักษณะบอกถึงในนั้นมีของดีมีสิ่งดีมีอนุสร เป็นที่ระลึกเป็นที่กราบเป็นที่บายมีบุคคลสําคัญเป็นสื่อบอกทันทีเหมือนอย่างพระพุทธรูปเอาทองเหลืองมาทําเนี่ยเป็นรูปยืนรูปนั่งเนี่ยพระพุทธรูปองค์หนึ่งองค์หนึ่งก็ถือว่าเป็นเจดีย์เทศเจดีย์เป็นที่กราบเป็นที่ระลึกเห็นภัพเป็นสื่อถึงใจเกียติยะเจยรติยาสื่อถึงใจสื่อถึงใจ สื่อถึงใจแต่สื่อถึงใจไม่ไม่ใช่เราเติดรูปเพราะฉะนเรากราบพุทธังส น, นังกัจฉามิธรรมังส น, นังกัจฉามิสังขังสร น, นังกัจฉามิเราเลื่ถึงบุญทึงคนของท่านครูบาอาจารย์องไหนองไหนท่านก็มีบุญมีคุณเรากราบเราน้อมยึดน้อมยถึงบุญถึงคนคุณงามความดีที่ท่านมีให้กับโลกให้กับเราเรารลื่อมถึงคุณดาวความดี การสั่เสริมุนางความดีของคนเพื่อเราจะได้อีกได้ดีได้มีได้เป็นเหมือนอย่างท่านบ้างความหมายมเป็นอย่างนั้นกราวทาไมเกิดประโยชน์อะไรดูประชิดใจกล่าวทําไมเกิดประโยชน์อะไรกลับวอีกกลับปูนเป็นสื่ออิดปูนเหล่านี้เป็นสื่อทําให้เรามองผ่านทลุไปถึงบุญถึงคุน ขอพระพุทธเจ้ากรทำประสงค์ครูบาอาจารย์คือประสงค์เป็นสื่อมองเห็นถึงบุทถึงคุณของท่านพระพุทธเจ้าท่นทำประโยชน์มากมากมามยมหาศาลเท่าไร่สอนให้ค น, คนทนโทษคนทุกคนทนทนเหมือนอย่างเราเป็นเหมือนยาเราอยู่ท่ามกลางกองไฟพระพุทธเจ้าบันดา น, น้ำเยน็ยนเยน็นมาชะลอให้เร า, าหายความเร่าร้อน จากราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้ามีคุณมีคุณดังือนเราก็ร้อนดินเดาเดาเรื่อนั้นดินตายแต่เรพบแต่ละชาติเราดิ่มด้วยดิ่มด้วยของต่างของต่าหาดิ่มตายเกิดชาตินั้นพวกไนั้นก็ดิ่มจนตายดิ่มตา้แต่เกิดจนตายเกิดชาติไหนพวกั้นดิ่มตา้แต่เกิดจนตายดิ่มตามเพลงตามจังหวะของตัาหาแล้วที่มันจะเสงสรรพเป็นแต่ั้น ถ้าเราจะเทีย่ยวกเหมือนนักฟ้อนนักกรรมทำให้เราต้องโดดโลดเต็นไปตามจังหวะที่มันเสียงให้เราต้องโดดต้องดินต้องเต้นไปตามจังหวะของมันเรีของมันอยู่ในใจมันแสดงปรากฏจิงใจของเรามันของมันมิเสษงเป่าพูดใส่เราดิ้นวุ่นวุ่นวุ่นวอ่นอุ่นัุอนวุ่นอุ่นวุ่อวเ่ลีุ่น่นุ ฉาดิสียาพยาบาทกระดนูนีพิษส่งเข้ามาทั้งนั้นเพลงเข้ามาทั้งนั้มายาเข้ามาทั้งนัสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาชั่วร้ายของมาแต่ถ้าเราเอาออกไปแล้วเ น, นกายก็คือกายกายนี้แหละกายเดิมเนี่ยที่เราเคยส่งสิ่งที่ชั่วร้ายมาเลยพอเราเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาได้กลับเป็นสิ่งเหล่านั้นเป็นพลังที่มีอยู่ในจิตอะฮ อาศัยจิตมามาอาศัยกายเทียดก็ทาหน้าอย่างนั้นอย่งั้นรักทำหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นชังก็ทำหน้าอย่างนั้นอยางจะได้ให้สมบุตรสมบัติกายนะมันนิท ง, งอการกิริยาอาการข้างในคือจิตหนึ่ข้างในดีใจแสดงกิริยามาหัวเราะเริงร่าดีใจเพลินใจเสี ย, ยใจร้องโหยร้องไห้เศร้าโศก สะอึกส้นนะแสดงด้วยความเศร้าโศมาแท้ที่จริงตัวกิริยาที่มันแสดงพาแสดง ก, ก็อยู่ข้างในจิตเหมือนาแสดงจิตภป็าแสดงเพราะตัวพลังแท้แทมัส่งมาจากลายเป็นหุ่นให้จิตเชิดจิตเป็นนายกลายเป็นเบาใจเป็นเจ้าของกาย กายเป็นถ้าเป็นคูหาของใจเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันได้กันมาแล้วมันทราบจากกันยากกายกับใจนี้เกิดมาด้วยอํานาจของบุญของกก่าพอเวลาเราได้มาแล้วมันพรากจากกันยากยาเพราะฉะนั้นเวลามันเวลามันจะจากกันโอ้มันดิ้นตาเลือดตาลานุแหละใครเคยสังเกตคนใกล้จะตายดิ้นชักดิ้นชักงอน ตาเหลือตาลา น, นนะเวลาเขาออกจากกันเขาออกจากกันยากถึงคราวที่เขาอยู่ไม่ได้อดไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆเขาต้องโดดออกไปนู่นถึงคราวรับขันก็อยู่ไม่ได้แต่โดยปกติธรรมดาธรรมดาน้อยคนนะ่ะที่จะไปกลั่นใจให้ตายไม่มีเพราะกลัวตายดีทั้งหา ก, กลัวตายดีทั้นะ่างเคยได้ยินคาเล่านี้ไหม พวคนอยากข่าตัวตายเนี่ยจะออกไปจะออกไปผูกคอให้ตายกลัวผีอีกมันกล้าออกไปดูสิมันรอได้สารพัดไอ้เจ้าของกาลังจะกลายเป็นผีแล้วยังจะไปกลัวผีอีกดูงเดียดมาที่ใจนี้ <c oughs> <c oughs> อะวันนี้พอสมควรแค่นี้ละ <c oughs>